12ชั่วโมงอะนะทำมาตรฐานใน12ชั่วโมงเอาเลือดมาแล้วเขาจะไปเช็คเองว่าเนี่ยเบาหวานคุณมีไมควาเอา่อร่างกายทั้งหลายเนี่ยนะแม้กระทั่งว่าเอาหนังยืดมารัดกล้ามเนื้อเขายัางบอกเลยว่าความดันเราเท่าไหร่ใช่ไหมชีพรจรเต้นเท่าไหร่อันนี้ค่าของเลือดเอาอุจจระมาเช็คว่ามีอะไรมั่งเอาปัสาวะมาตรวจว่ามีอะไรมั่งเขาตรวจได้หมดเลยเกี่ยวกับเรื่องร่างกายวิชาทางแพทย์แต่ทางธรรมะก็ตรวจสอบความคิดได้ทั้งหมดอีกเหมือนกัน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 ตลอดจนถึงสัมมาส ม, มาธิก็ในยะเดียวกันว่าบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานทันถ้าเราเจริญตามคําสอนศึกษาคําสอนเอาใจใส่ตามคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็จะตรัสรู้รมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่นิยามของคำว่าทำเนี่ยนะเขาเคยเขียนไอทอทงก ร, รเรือเรียกว่าธระ ธรรมะก็มาก็มาจากทระแปลว่ารักษาหรือหรือส่งเอาไว้ทระตัวนั้นแปลว่าสรงเอาไว้ไหมว่าทรงผู้ใดที่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ทําให้เขาเนี่ยตกไปในอบายทุกขติวินิบาตนรกเปรตอสุรกายและเดรชาญเป็นต้นเนี่ยนะทั้นถ้าหา ว, วัดตามใจของเราเนี่ยนะเอาคุณภาพจิตมาวัดเนี่ยนะย่มว่ายมเกิดสวรรค์ชั้นไหนดีอันนี้เช็คใจของเราเลยนะ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 บอกเหมือนก็อยู่สวรรค์ชั้นดุสิตเอานี้ละกันลองไปใช้โรงแรมดุสิตธานีดูนะจะอยู่ได้สักกี่คืนเว้นไว้แต่ไปเป็นพนัก ง, งานอาจจะได้นานอีกหน่อยนะแต่มาราะว่าถ้าถ้าไปเป็นผู้พักจริงๆเนี่ยไม่ง่ายนะแม้กระทั่งสุคติโลกสวรรค์ก็ในยะเดียวกันถึงไปเกิดเอไปอยู่ได้สักกี่วันเจนะโนวัดกันตามคุณภาพบุณ น, นะไม่ใช่แปลว่าไปอยู่ในสวรรค์จะลองบอกโอ้สวรรค์นะ่ะอายุยืนเท่านั้นปีเท่านี้ปีอันนั้นถาว่าท่านพูดผิดไหมบอกไม่ผิดเหมือนมนุษย์ในยุคนี้เฉลี่ยแล้วอายุ ป, ประมาณเท่าไหร่ ประมาณสักเจ็ดิบห้าปีบางคนก็อายุยืนหน่อยก็เจ็ดสิบปีคุณย่าเท่าไหร่แล้วตอนนี้อ๋อเจ็ดสิบสองอายุยืยืนมากมีบุญมากมันก็เอาท่านั้นแล้วคนเกิดมาทั้งหมดอายุแปดสิบกันหมดไหมมนุษย์ยุคนี้เขาบอกอายุเจ็ดแปดิบปีนะจึงจะตายบางเงนแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนอายุแปดิบหมด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 เขาก็มีในในพระไตรปิฎกเล่าวเยอะจากมนุษย์ไปสู่สวรรค์จากสวรรค์ น, นู้นอะตกจากมนุษย์เนี่ยนะตกจากสวรรค์ น, นู้นไปนรก <c oughs> มีอยู่สูตรหนึ่งพ่อองค์บอกว่าดูความพิสูจนทั้งหลายเทวดาเนี่ยพวกเทวดาเนี่ยตายจากเทวดาแล้วมาเกิดเป็นเทวดาคืนเนี่ยน้อยตายจากเทวดาแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยเทวดาตายจากเทวดาแล้วไปสู่นรกไปอสุรกายเดราชาจำนนมาก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 สมนะถ้าเขามาเป็นแนวเนี่ยนะเขามาจะทําบุญอะไรให้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้หรือว่าให้ทานได้ไม่พอที่มาเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์รักษาศีลเป็นต้นนั้นจะทําอะไรให้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นจากเดรัจฉานมาเป็นมนุษย์เนี่ยยากจากเดรัจฉานไปเป็นเทวดาก็ยากจากเดรัจฉานไปไหนก็ไปเดรัจฉานซะส่วนใหญ่จากเดรัจฉานไปนรกไปอสูรกายซะก็ส่วนมากเพราะฉะนั้นยากมากที่จะได้มาเกิดใน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 เห็นแบบนี้ดับทุกข์ได้หลักการก็มีง่ายๆอย่างนี้บอกว่า อ, อาศัยตาและสีเกิดจากคูวิญญาณเนี่ยตากับภาพการเห็นก็เกิดขึ้นสามอย่างนี้เขาเรียกว่าผัสสะคือมีตามีสีมีการเห็นขึ้นเรียกว่าผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาความต้องการเนี่ยความยึดติดความเพลิดเพลินความต้องการ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 ชาติเป็นปัจจัยจึงอะไรพอเกิดมาแล้วก็ชราและมรณะโสกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเพราะฉะนั้นถ้าพูดตรงๆเลยพูดแบบอะไรนะไม่ไม่ตรงที่สุดเลยก็คือบอกทุกครั้งที่เราเห็นเนี่ยคือการสร้างชาติหน้าแต่ต้องเข้าใจระบบของเขาเนะียเขาบอกว่าไอ้มันเป็นไปได้ยังไงก็คิดดูเราพูดโทรศรรพัพท์พูดหนึ่งคำต้องจ่ายตังค์กันนะทุกคําที่พูดมันต้องจ่ายเท่านั้นแหละเหมือนกับน้ําไฟเนี่ยถ้าเรากดเปิดทิ้งไว้ก็ต้องเสีย เสียค่าใช้จ่ายหมดชั้นใดครุวครั้งที่เราเห็นเนี่ยคือมันเป็นวิธีการสร้างพบสร้างชาติต่อไปนะทีนี้ถามว่าแล้วเราจะทํายังไงที่จะถ่ายถอนสิ่งเหล่านี้ได้ไม่รู้ว่าเห็นต้องคิดให้เป็นมรรคแปดก็แล้วกันเห็นยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะหรือไม่เอาเงี้ยกัเห็นยังไงคิดให้เป็นศีลเป็นสมถะเป็นวิปัสนาถ้าหาว่าลืมตามองเห็นเจริญศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ ลืมตามองเห็นเจริญสมถาววิปัสนาไม่ได้ลืมตามองเห็นแล้วเจริญมรรคแปดไม่ได้มันก็มีแต่การกู้นี้ตลอดคือในทางธรรมะเนี่ยนะตัณหาพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นหนี้ชนิดหนึ่งความเพลิดเพลินความพอใจในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นหนี้สินเป็นหนี้ที่เรียกว่าจ่ายแล้วจ่ายแล้วไม่มีจบมีสิน้นตัณหาเกิดหนึ่งครั้งเท่ากับเพาะเมล็ดพันหนี้ไว้หนึ่งเม็ด พันถ้าต้นนี้มันงอกมาแล้วมันโหจบสิ้นเป็นที่ไหนไม่มีจบมีสิ้นเชื่อมโยงไปตลอดพันพระองค์จึงสอนอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเพื่อถ่ายถอนตัณหาถ่ายถอนหนี้สินเนี่ยนะพันเขาเรียกพระพุทธเจ้า ว, ว่าผู้ไม่มีหนี้นะพรหมพรหมเนี่ยนะพรหมเนี่ยนะพรหมมาจโลกาธิปฏิสัมปติการอัญชลีเนี่ยนะพรหมเนี่ยนะ ม, มาเรียกพระพุทธเจ้า ว, ว่าข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีหนี้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 พระองค์บอกว่าไม่มีคุกใดที่จะยิ่งใหญ่เท่ากันนรกกับเดรชานเขาบอกงั้นการที่สัตว์เดรชาญเกิดขึ้นนะั่นคือการติดคุกเหมืนันน่ยคุกของวัตฏะนะคุกของวัตฏะคือนรกกับเดรชานถ้าคุกของโลกก็เช่นอะไรบางขวางอะไรก็ว่ากันไปเนี่ย น, นี่เรียกว่าคุกของชาวโลกแต่ถ้าคุกในวัตฏะก็คือนรกกับเดรชานพระองค์บอกว่าไม่เห็นคุกไหนมันจะยิ่งใหญ่เท่ากันนรกกับเดรชานที่มันหลุดออกมายาก ว่ากำลังนึกในใจเคยถามหลายคนเนี่ยเอาคุณรักหมามากเลี้ยงหมาไว้ตั้งหลายตัวอยากให้หมามาเกิดเป็นมนุษย์ชาติหน้าจะให้มันทํายังไงดีทําไงดีหนูนะบอกโอ้ยท่าไะรักเธอจริงๆเลยตัวนี้เนี่ยนะน่ารักดีออกนะอยากชาติหน้าอยากให้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะทํายังไงดีไม่ให้มันมเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะ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 แต่ให้ไก่มาเกิดเป็นคนเนี่ยยากฐานะถ้าเราไปสู่นั่นน่ะโอ้ยปลาตัวนี้น่ารักเหลือเกินนะ่ะเธอชาติหน้ามาเป็นมนุษย์นะเอ๊ะท่านจไงช่วยปลาตัวนี้ให้มาเกิดเป็นมนุษย์ว่าขอมานี่จนปัญญาเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าทำได้เอาแต่ว่าไม่ใช่ทำได้กับเดรฉ า, านทุกตัวนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ก็ไปเห็นอุปตนี้สายกบอยู่ตัวหนึ่งจะได้บรรลุมรรคผลที่เรามันดูกะนี่นะมันดูกะแปลว่ากบ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 สวรรค์ตอนหลังกก็ลงมาแล้วฟังธรรมแล้วเป็นพระโสดาบันนลยคนนี้เออเนี่ ย, ยกบพัฒนาอย่างก้าวไกลเป็นพระโสดาบันไนดะ้แต่ก็อย่างว่านนะเชื่อไหมในคัมภี์มีกบอยู่ตัวเดียวที่เป็นพระโสดาบันเนี่นะไอ้กบที่เหลือไม่รู้กี่ฟูงกี่ฟาร์มเนี่ยนะเนียไม่มีพูดถึงเลยแลอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่ามา้าตอนหลังม้ามาเป็นพระโสดาบันก็คือม้ากันตกะม้าที่ขี่เพื่อให้พระเจ้าขี่ไปบวชเออพระโพธิสัตว์กี่ไปบวชน่ะนะม้าอยู่ตัวนั้นนะ่ะแล้วโดยมากนะยาก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 อันนะั้เขาเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิกับมีมิจฉาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะอนนะกับมีมิจฉาสังกัปปะมีสัมมาวาจามีมิจฉาวาจาก็แปลว่ามีถูกและมีผิดแต่ส่วนที่ถูกก็เหมือนกับเราเดินทางเนี่ยนะจะไปให้ถูกแหล่งที่เราต้องการเนี่ยนะถ้าไม่ชํานาญจริงๆก็ยากที่จะถูกไอ้ที่ผิดมีมากกว่า เช่นโอ้ยอยากไปเยี่ยมญาติที่กรุงเทพเนี่ยนะถนนซอยเยอะขนาดนั้นเนี่ยนะไปฟังทำยังไปไม่ถูกเลยวันแรกเละสถานที่ไปก็ไม่ได้เล็กเลยใน ใ, นใหญ่โตเลยนะบอกไปยังไปไม่ถูกมางนกนเพราะอะไรว่าถนนก็ไม่ได้ถนนรถสวนกันได้นะขนาดนั้นยังไปไม่ถูกไม่ได้ว่าถนนแบบโอ้ยเซ็นจิวเลยนะแล้วในท่ามกลางความคิดของเราเนี่ยมีอยู่สองอย่างความคิดที่ผิดกับความคิดที่ถูกแม้แต่ในโลกของนักตัดสินใจอะไรบ่อยๆเนี่ยนะ มันยากเหมือนกันนะที่จะทําให้ตัดสินใจว่าผิดหรือถูกบางอย่างเนี่ยผลมันออกมาแล้วจึงรู้ว่าตัดสินใจว่าผิดหรือถูกเช่นซื้อหวยเป็นต้นเลยนะพรานก็ยากเหมือนกันนะที่จะบอกว่ามันผิดหรือมันถูกเพราะเปอร์เซ็นต์ผิดมันน้อยมากเออขอไปเปอร์เซ็นต์ผิดเนี่ยมันมากเปอร์เซ็นต์ถูกเนี่ยมันน้อยการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ก็เหมือนกันพราะเราก็ต้องหาประทัดฐานหามาตรฐานหาความถูกต้องเพื่อให้ประสบกับความ เข้าใจที่ถูกต้องเนี่ย น, นะแต่ว่าอย่างว่านะพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์เป็นต้นเขอบอกเอ๊ะแล้วเราจะไปหาอารหันต์ที่ไหนเขามาเนี่ยนะเคยสมัยก่อนไมบสถ์ไม่ไม่อบอกเอออาจารย์ครับผมอยากหาพระอารหรันต์นะให้พระอารหันต์สอนผมอ่ะอาจารย์เขาว่าไงรูเปล่าบอกว่าท่านจะเอาอารหันต์กี่รูปเราก็งงอ่นเนว่าเอากี่รูปท่านว่างนีะ้เอาเนี่ย ถ้าอยากได้กลุ่มผ้ารหันห้าร้อยรูปจะเอาเลิศขนาดไหนก็ได้ก็ในพระไตรปิฎกว่างั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพระไตรปิฎกเนี่ยผ้ารหันห้าร้อยรูปมาร่วมกันเรียบเรียงเอาไว้ถ้าเอารหันเจ็ดรูปเจร้อยรูปก็สังขายาณาชุดที่สองใช้ผ้ารหันเจร้อยรูปถ้าจะเอาผ้ารหันพันรูปบอกสังขยนาครั้งที่3ามพอเอาผ้ารหันพันรูปเพราะฉะนั้นถ้าเอาผ้ารหันสองพันสองรอรูปก็อ่านในพระไตรปิฎก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 ของเราต ถ, ถาคตเถิดอย่าได้เป็นอมิตทายาทของเราต ถ, ถาคตเลยเป็นต้นธรรมทายาก็คือโลกุตระธรรมโลกุตระธรรมหรืออริยทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยนะตอนเนี้ถามว่าเราจะอาอริยทัพย์ได้จากไหนทรัพย์ของพระพุทธเจ้าพราะองค์ก็เขียนจดหมายบอกเราเพราะฉะนั้นรูปของพวกเรานี่ก็เรารุ่นจดหมายนะรุ่นใช้จดหมายแต่ก็บอกโอ้ยอธิบายได้ว่ายังไม่มีเวลาอ่านเหมือนกันนะยมเกียรติได้อ่านแนะสักเล่มเล่มหรือยังนะซื้อปฐัยปดฎกตั้เยอะแยะอะไรยังไม่ได้อ่านสักเล่มเลยนะเสียดายจังเลย นะต้องเรีบอ่านนะนะเดี๋ยวตามหมดก่อนแล้วเสียดายแม่รู้อย่างงี้นะอ่านเะแล้วก็ดีเนี่ยนะแล้วทแม่ขอมาเนี่ยดีใจนะดีนะเราเรียบบวชแล้วเรีบมาอ่านพระไตรปิฎกไว้ก่อนถ้าตอนนี้แล้วเพิ่งมาเริ่มอ่านท่าจะแย่มันกันนะเพราะคือเราว่ามันไม่ค่อยทนเนี่ย น, นะถ้าอ่านไม่ค่อยทนถ้าเขาบอกว่าพระไตรปิฎกเป็นแต่ลถ้าอ่านไม่บ่อยอ่านไม่มากอ่านไม่ต่อเนื่องอนะ่ะเราไม่เข้าใจหรอกถามว่าทําไมไม่เข้าใจ